ธ ร, รมะของพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระองค์ใดไม่นิยมสถานที่บุคคลกาลสมัยแต่ นิยมลงในหลักเหตุผลตั้งนั้นถ้ากรรมะของพระพุทธเจ้าได้คืนดูกับการสถานที่บุคคลแล้วจะไม่คงเป็นธรรมะอยู่ได้เป็นกระทั่งถึงแบบนี้เลย จะแปลสภาพไปตามสถานที่บุคคลการสมัยเป็นลำดับหาความคงที่ของธรรมที่จะเป็นเครื่องยิดไม่มีเลยคำว่าสถานที่เราก็พอสราบได้ ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้ว่ามัชิมาคือท้ำกลางเสมอนั้นไม่ใช่ท้ำกลางสถานที่บุคคลการสมัยแต่ท้ำกลางในหลักเหตุผลที่ถูกต้องหรือไม่ถูก ผลจะต้องแสดงไปตามหลักของเหตุที่ดีปรากฏรอยถิมนาไว้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นได้ไง่ายๆด้วยหูด้วยตาของเราก็คือสัตว์โลกที่เกิดมาแม้จะเป็นสัตว์ประเภทเดียวกัน แต่ลักษณะความเหลื่อมล้ำต่ำสูงของสัตว์นั้นๆจะไม่เหมือนกันเลยเ <_ p> ช่นคำว่ามนุษย์อย่างนี้เป็นต้นรวมได้หมดทั้งแผ่นดินอย่นี้ที่มีมนุษย์อยู่ในสถานที่ใดๆ ให้ชื่อให้นามว่าเป็นสัตว์มนุษย์ด้วยกันแต่เทีาศัยความรู้ความฉลาดความสามารถมากน้อยความมีความจนความสุขความทุกข์ของมนุษย์เหล่านี้จะไม่เหมือนกันเลยมีขึ้นดูกับ ผลที่บรรดาผู้ก่อเหตุได้ทำมาไว้ถ้าผลจะขึ้นอยู่กับบุคคลแล้วผู้ต้องการหรือประสงค์อย่างใดผลจะต้องปรากฏมาเช่นนั้นโลกนี้จะไม่มีทุกข์ ประจำในสัต์แดดแังขานและจะไม่มีคนโง่สัตว์โง่ในโลกจะมีตั้งแต่สิ่งที่พึงปรารถนาทั้งนั้นทั่วไปในโลกนี้สิ่งที่จับไม่ประสงค์นั้นจะไม่มีอันใดค้างอยู่ในโลกนี้แม้แต่น้อย เพราะขึ้นอยู่กับบุคคลบุคคลต้องการอย่างใดก็เป็นอย่างนั้นธรรมะขึ้นอยู่กับสถานที่เราทำที่นี่จะเป็นการทำชั่วหรือทำดีผลไม่แสดงตามลอยแห่งเหตุเพราะขึ้นอยู่กับสถานที่นั้นเสีย งนนนี้้เป็ตสถานที่ก็กลายเป็นใหญ่กว่าหลักความจริงคือธรรมะของพระพุทธเจ้าปเสียเป็นการสมัยเป็นสมัยนี้บรรดาหลักความนิย ม, ยมของบุคคลไม่เหมือนกันในสมัยนี้คนนิยมอย่างนี้ ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ต้องแปลสภาพไปตามสมัยโน้นคนนิยมอย่างนั้นก็แปลสภาพไปตามเมื่อสรุปความลงแล้วธรรมะก็กลายเป็นตุขตา ให้เป็นเครื่องเล่นของคนผู้มีความสะสมทํทได้ตามความชอบใจของตนทีนี้จะหาหลักความจริงจากธรรมะซึ่งแทนที่จะเป็นของคงที่แต่กลายเป็นของแปลสภาพไปตามความรู้ความเห็นตามสถานที่บุคคลไปก็แล้ว เราจะหาหลักความจริงมาจากที่ไหนขอให้ท่านตั้งหลายได้ทราบเพราะฉะนั้นคำว่ามัธิมาที่พระองค์ประทานไว้แล้วโปรดได้ทราบว่าขึ้นอยู่กับหลักแห่งเหตุเป็นของสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใด้ด สถานที่บุคคลการสมัยไม่สามารถที่จะทำลายหลักหังเหตุที่ผู้เด้มทำไม่แล้วดีชั่วให้เสื่อมศูนย์หรืออันตรธ า, านไปได้เพราะฉะนั้นคำว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดๆตรบสรู้อยู่ในสถานที่ใดการใดสมัยใดก็ต่างโปรดได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ แน้จะตรัสรู้ในสถานการนั้นๆก็เป็นเพียงบอกให้รู้จุดหรือเ ว, เวลาเท่านั้นแต่หลักของธรรมที่จะปรากฏให้ถึงความเป็นพระพุทธเจ้าหรือสาวกอรหันแต่ละองค์องค์นั้นเกิดขึ้นจากมัจจิมาปฏิปทาคือหลักแห่งเหตุอันดี จึงปรากฏผลเป็นความมือจิดขึ้นมาอย่างเต็มที่ขอให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบไว้ว่ามัชชิมันเป็นธรรมที่คงที่อยู่ตลอดกาลจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่หรือบุคคลใดๆทั้งนั้นท่านผู้ใดได้บำเพ็ญตน ไม่คููกับหลักแห่งมัตติมาที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วผู้นั้นแหละเป็นผู้มีสัจสิทธิเต็มที่ที่จะรับผลแห่งการกระทำของตนมากน้อยโดยไม่มีใครจะสามารถมายักย้ายผันแปรผลกับเหตุที่ตนได้ทำไว้แล้ว ให้แยกจากกันไปได้หลักสำคัญที่จะเป็นเพื่องรับรองบุคคลให้เป็นไปในทางดีและชั่วคือหลักเหตุผลเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเราผู้ตั้งใจประพติปฏิบัติ มีเข็มทิศ ต, ตั้งไว้ตามความมุ่งมั่นของตนจริงควรคำหนึ่งถึงการประกอบเป็นของสำคัญและทุกสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นจิตที่ชอบ ซึ่งจะควรนำประโยชน์มาให้เราเท่าที่ควรแล้วโปรดได้เห็นว่ากิจนั้นเป็นกิจจำเป็นหรือเป็นกิตสำคัญผลจะปรากฏขึ้นจากกิตนั้นๆโดยแน่นอนเราอย่าได้เห็นว่าเป็นกิตไม่สำคัญทั้งๆ ท, ที่เราก็เป็นผู้กระทาอยู่ในกิตนั้นๆ การกระทําทุกๆประโยคเ์เพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความเพียรของเราขอให้ถือเป็นจิตจำเป็นและเป็นจิตสำคัญการฝึกหัดตน ให้เป็นผู้มีกำลังทางด้านจิตใจให้เห็นทุกสิ่งที่เป็นธุรณาที่ของตนกระพึงกระทําว่าเป็นจิตจำเป็นเป็นชั้นๆขึ้นไปที่เราจะใช้ความรู้สึก จดจ่อในจิตนั้นนั้นไม่ให้เลื่อนหลอดมีหลักฝึกหัดมือไสด้วยฝึกหัดสติปัญญาของตนให้จิตนั้นนั้นกลายมาเป็นความเพียรของตนได้โดยทางภายใน ถ้าเราเห็นว่าจิตนี้ไม่จําเป็นนะาไปเห็นจิตโน้นมาจําเป็นเรื่องการประกอบในจิตนั้นๆก็ไม่มีกําลังพอจะสามารถนำประโยชน์มาให้ตนได้เท่าที่ควรผู้ใดที่มี ความรู้สึกเห็นทุกสิ่งที่เป็นหน้าที่ของตนจะควรกระทําว่าเป็นจิตจำเป็นด้วยแล้วผู้นั้นจะมีความเพียรอยู่กับภุรน้าทนั้นนั้นและปรากฏผลขึ้นมาอย่างสมบูรณ์จากงานนั้นๆด้วย และเป็นการฝึกหัดนิสัยของตนให้เป็นคนแน่วแน่ต่อกิจการนั้นๆด้วยเป็นการฝึกหัดสติปัญญาของตนให้มีความรู้สึกหรือมีความรอบคอบต่อกิจการนั้นๆโดยความติดต่อกันเป็นลําดับไปด้วย คุณ น, นี้คือว่าเป็นผู้มีความเพียรทุกทุกประโยคและทุกทุกอาการที่เคลื่อนไหวจะเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านจิตใจโดยลำดับและจะไม่มีความเกื่อมย่งไปได้ เนื่องจากคติซึ่งเป็นธรรมเครื่องหนุนมีกำลังขึ้นเพราะการบำบึงด้วยถือกิจธุระหน้าที่นั้นเป็นภาคพื้นหรือเป็นบาทฐานอัหนึ่นเงเรื่องทั้งหมดผู้ประกอบความเทียน ยาเห็นว่ามีนอกไปจากใจจะแสดงเรื่องอดีตอนาคตและปัจจุบันจะมีใจเป็นรากฐานเป็นที่ก่อให้เกิดเรื่องทั้งนั้นถ้าสติกับปัญญาได้ตั้งลงในสถานที่เกิดขึ้นแห่งเรื่องทั้งหลายแล้ว เรื่องกับสติปัญญานั้นจะกลายเป็นธรรมขึ้นมาให้ผู้นั้นได้รับผลประโยชน์ทั้งๆ ท, ที่เรื่องจะกลายเป็นเรื่องทําตนให้เสียอยู่แล้วหรือจะทําจิตใจของตนให้มีความมัวหมองหรือฟุ้งเพ้อเห่เห่แต่ก็กลับกลายมาเป็นธรรมคือความสงบ หรืออุบายต่างๆได้เพราะอำนาจของสติปัญญาเป็นเครื่องกลั่นกรอบใครจะอยู่ในสถานที่ใดเรื่องสติกับปัญญาที่ประกอบเป็นองค์ความเทียนของตนย่าให้ขาดวัก ข, ขาดต่อน อยู่ที่ไหนเรื่องสติกับปัญญากับเรื่องที่เกิดจากใจขอให้มีความรู้สึกหรือทำความรู้สึกต่อกันเสมอเรื่องที่ท่านกล่าวว่าสมุทัยนั้นจะเป็นเรื่องยืดยาวไปไม่ได้เหตุที่สมุทัยอันเป็นแดนสิทธิทุกนั้นเป็นเรื่องยืดยาวและจนกลายเป็นเรื่องอัตโนมัติ ทำหน้าที่ของตนโดยที่เราไม่ไตั้งใจก็เนื่องจากความเคยสังสมเคยคิดเคยตุ่มขึ้นภ า, ายในจิตใจเรื่องของสมุทัยจึงมีกําลังจนกลายเป็นเรื่องอัตโนมัติสังสมที่เลียดขึ้นมาเผาลนหัวใจของตน โดยไม่มีสถานที่ไม่มีการมีลัแม้ที่สุดกำลังเราทำความเพียรอยู่เผอไปนิดเท่านั้นจิตที่เคยสั่งสมเรื่องนี้จะต้องทำหน้าที่ของตนทันทีมียาพึงเข้าใจว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและเกิดขึ้นมาเพราะเหตุไหนหลักฐานสำคัญก็ หนึ่งเกิดขึ้นมาเพราะความเคยชินของจิตประเภทนั้นสองเกิดขึ้นมาเพราะความเผลอสติไม่รู้เรื่องความเกิดขึ้นเช่นนั้นของจิตจึงเป็นเหตุให้สมูถ่ายสังสมกำลังขึ้นแล้วแสดงผลคือความทุกข์ร้อน ให้ผู้มีความเผอเดินนั้นได้รับความผุกเดือดร้อนเรื่องของมัจคือทางดำเนินเพื่อความพ้นจากเรื่องของสมุททยหรือเครื่องแก้สมุททยเมื่อเราได้พยายามฝึกฝนอบรมโดยวิธีที่กล่าวแล้วนี้ เรื่องสมุทัยจะทำหน้าที่สั่งสมทุกข์ให้มากมูลหรือยืดยาวไปไม่ได้และเรื่องของศีลสมาธิปัญญาจะไม่เจริญงอกงามขึ้นได้เพราะเหตุแห่งความเทียนดังที่กล่าวมานี้ไม่ได้อีกเหมือนกันทุกอย่างทุกสิ่งถ้าลงมีเหตุเป็นเครื่องหนุน มีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงเสมอแล้วจะต้องมีความเจริญขึ้นมาแม้แต่ต้นไม้ไม่มียินหยัน <c oughs> ก็ยังมีความเจริญเติบโตขึ้นมาได้ในเรื่องหัวใจของเราซึ่งมีความรู้สึกต่อตนเองอยู่และพยายามเจริญในทางที่ดีตามความมุ่งมั่นของตน เรื่องของสติกับปัญญาจะไม่มีความเจริญเติบโตไปได้แล้วพ้าพุทธเจ้าทั้งหลายก็ดีพระหัต์ทั้งหลายก็ดีจะเป็นผู้บริสุทธิ์ถึงวิมุติพนิพาณไปไม่ได้แม้แต่เพร่องเดียวความเป็นทั้งนี้เนื่องจากธรรมคือสติกับปัญญาเป็นสิ่งที่จะเจริญขึ้นได้ เช่นเดียวกับเรื่องทมฝ่ายตำ่ำคือสมุทยัยทมทั้งสองประเภทนี้จะต้องมีอาหารเป็นเครื่องหน่อเลี้ยงเสมอด้วยกันไม่ใช่จะเกิดขึ้นมาโดยปราศจากหลักของเหตุแต่เรามามองดูตั้งแต่ผลซึ่งเกิดขึ้นมาจากหลักของเหตุแต่ไม่ได้คำหนึ่งถึงหนึ่งเหตุว่าทำอย่างไร หรือเพราะเหตุใดผลจึงปรากฏขึ้นมาที่นี้นีเรื่องจึงเป็นอยู่เช่นนั้นและคำที่ว่าพระพุทธเจ้าทั้งสร้างพระบรารมีหรือพระสงค์สาวกของพระพุทธเจ้าประกอบความภาคความเทียงโดยหาสถานที่ส ง, งัดวิเวก หาที่ประกอบความภาคความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิาภาวนาพกหัดจิตใจของตนทั้งหลายเหล่านี้ล้วแนแล้วตั้งแต่วิธีการของท่านอบรมสติอบรมปัญญาให้มีความเฉลียวฉลาดรู้เท่าทันกับทมฝ่ายต่ำซึ่งเขาเคยสั่งสมตัวเข้ามาเป็นเนือนะ่ะ แล้วจะได้ถอดถอนสิ่งเหล่านี้ด้วยความฉลาดของตนอันฝึกฝนมาแล้วเช่นเดียวกันท่าสติปัญญาได้รับการอบรมฝึกฝนด้วยดีจากท่านผู้บำรุงแล้วยังจะกลายเป็นสติปัญญาที่จเจริญรุ่งเรืองไปแน่แล้วในโลกนี้จะไม่มีคนดี ขอให้ท่านทั้งหลายได้ทราบไว้อย่างนี้รักความจริงของพระพุทธเจ้านี่แลเป็นที่รับรองคือเหตุอันเป็นแดนเกิดแดนเกิดจะเป็นเหตุดีเหตุชั่วนั่นแหละเป็นของสัมผัสเหตุดีก็คือการบำรุงการกระทำความดีด้วยความสนอกสนใจทำอย่างจริงจริงจั ง, จง เฉพาะ อ, อย่างยิ่งเราเป็นนักปฏิบัติไม่มีหน้าที่อื่นใดทางนั้นที่จะต้องมาเป็นเครื่องเพิ่มกังวลหรือตัดรอนทางความเปลี่ยนของเราไม่ให้ดำเนินไปด้วยความสะดวกมีหน้าที่อันเดียวที่เราจะประกอบความเพียนเพื่อรู้เรื่องที่มีอยู่ในดวงใจของเราให้เห็นชัดไปโดยลําดับ เพราะอำนาจแห่งความเพียรที่มีสติกับปัญญาเป็นภาคพื้นอยู่เสมอการบำรุงสติปัญญาต้องบำรุงโดยวิธีที่กลั่นไปไหนให้มีสติอะไรมากระทบทางอวิชชะให้มีความรู้สึก รับรู้กับเรื่องที่มาสัมผัสแล้วค้นหาสาเหตุที่เกิดขึ้นว่าสาเหตุที่ปรากฏคืนนี้จะเป็นไปในทางสั่งสมกิเลสหรือจะเป็นไปในทางแก้กิเลสเรื่องของสติเป็นผู้รับรู้เรื่องของปัญญาต้องเป็นผู้วินิจัยกับเรื่องที่มาสัมผัสในตัวเองเมื่อความรู้สึก หรือความเพียรของเราได้เป็นไปอยู่กับเรื่องเช่นนี้เราจะต้องรู้เรื่องวันยั่งค่ำคืนยั่งลกเพราะเรื่องไม่ได้ห น, นีจากความรู้ของเราสติกับปัญญาผู้วินิจฉัยเหตุผลก็มีอยู่กับเราเหตุใดจะไม่รู้เรื่องที่ทมีในตัวของเราผากวิเล ก, ก็เกิดขึ้นกับใจสติปัญญาก็กาบำลุงขึ้นที่กาย แต่รับลูกกันไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้าจะสั่งสอนสีสมาธิปัญญาเป็นเครื่องแก้กิเลสคือสมุทั ย, รรไทยไปไม่ได้ทำมาทุกขังอริยสัจจังสมุทัยอริยสัจจังจนกระทั่งถึงมรรคอริยสัจจังจะไม่มีธรรมส่วนใดเป็นของจริงขึ้นมาให้โลกทั้งหลายได้กราบไหว้เคารพ บ, บูชาเลยธรรมที่ทำทั้งสี่ประเภทนี้เป็นของจริงก็คือจริงต า, ตาม เส้นทางของตนสมูทัยในเมื่อมีเครื่องกดดันออกมาก็จะต้องเดินออกมาตามทางของตนขนคือทุกต้องจ ะ, สะแสดงออกมาจากเครื่องของสมูทัยําวมาสมูทัยมีเครื่องกดดันออกมานั้นคืออะไรรากฐานของสมูทัยคืออะไร นี่ได้เคยอธิบายให้ท่านทุกฟังได้ทราบมาหลายครั้งแล้วแต่เวลานี้จะยังไม่อธิบายเพราะยังไม่ถึงจุดที่ควรจะอธิบายเรื่องของทุกใครจะไปตำหนิไม่ได้เพราะสมุทัยเป็นแม่บทส้าขัดผิดขึ้นมาแล้วจะไม่สาเร็จเป็นรูปร่างขึ้นมาเป็นไม่มีสมุทัยเป็นผู้ผิดให้ทุกปรากฏขึ้นอย่างเล็ ทั้งภายในกายและจิตใจของเราท่านจิงเรียกว่าเป็นของจริงมรรคคือข้อปฏิบัติที่จะกำจัดธรรมทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นความจริงอันหนึ่งมีหน้าที่ที่จะแก้สิ่งที่เป็นข้าศึกต่อตอนเองอีกเช่นเดียวกันฉะนั้นจงบำรุงธรรมเหล่านี้ให้มีขึ้น แล ะ, จะเจริญขึ้นเป็นลำดับจากความเพียรของเราไม่ขาดว่าขาดต่อคำว่านิโรธะคือความดับสนิทแห่งทุกนั้นก็เป็นผลที่เกิดขึ้นจากมักคือข้อปฏิบัตินี้เองใครจะไปแต่งตั้งนิโรธขึ้นมาเอาเยๆโดยปราศจากหลักเหตุผลนั้นจะเป็นไปไม่ได้แม้พระพุทธเจ้าเองผู้ประธานพระศาสนาไว้ก็ไม่เคย ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้แต่งตั้งนิโรธขึ้นมาได้โดยปราศจากหลักเหตุผลราะฉะนันหลักเหตุที่จะทำนิโรธให้แจ้งตามที่ท่านกล่าวไว้คือศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นธรรมสำคัญที่ผู้ปฏิบัติจะพึงสนใจในหลักของเดียดนี้ ทุกๆ ท, ท่านเป็นผู้มีศีลเพราะรักษาทางที่จะรั่วไหลออกไปอันเป็นเหตุที่จะทำศีลต้องตนให้ด่างพรอยเราทุกท่านได้รักษาไว้โดยดีจะโผรออกมาทางกายก็มาไม่ได้ทางวาจาก็ รากฏขึ้นมาไหมนะเพราะใจเป็นผู้เข้มงวดขวดขันในทางที่จะเดินออกมาแห่งความด่างพร้อยหรือความขาดทะลุของสีสีจริงกลายเป็นของปกติขึ้นมาไนดะ้ทำใจของตนให้ร่มเยน็นคำว่ารักษากายรักษาวาจานำ โรดได้ทราบว่าทางเดินของความชั่วจะผ่านออกมาทางกายทางวาจาเมื่อรักษาได้ทางทั้งสองนี้แล้วท่านเรียกว่าศีลทำที่ว่าศีลที่แท้จริงคืออะไรคนตายแล้วมีศีลหรือไม่ทวากายเป็นศีลวาจาเป็นศีล ทุกๆคนที่มีกายวาจาด้วยกันต้องมีศีลด้วยกันทางนั้นแต่ศีนั้นมีอยู่กับคนจริงแต่คนไม่มีศีนี่สำคัญถ้าเราต้องการเป็นผู้มีศีนเราก็ต้องรักษามาจากต้นเหตุคือดวงใจ อย่าให้แตกกระจัดกระจายออกมาทางกายทางวาจาที่ชั่วช้าหลามกคำว่าปกติคือความไม่วุ่นวายของใจก็มีขึ้นเองเพราะตนไม่ได้ก่อเหตุอันทั่วร้ายเาผาขานจิตใจใจก็เป็นกปกติท่านก็เรียกว่าศีลเท่านั้นทั้งๆที่จิตไม่ได้ยังเข้าสู่ความสงบอันเป็นองค์แห่งสมาธิเลยก็มีความเย็น ความเย็นประเภทนี้แหละท่านเรียกว่าผลที่เกิดขึ้นจากการรักษาจิใตใจของคนได้และให้ชื่อว่าสีลคือความร่มเย็นอยู่ตามปกติของใจส่วนสมาธิคือความสงบเป็นขั้นหนึ่งเข้าไปอีกคือผู้ปฏิบัติจิตจะให้เป็นไปในทางสมาธินั้นท่านกล่าวไว้มีหลักธรรมเป็นเครื่อง พิจารณาเราจะกําหนดพุดโทโธธรมโมสังโฆหรือกําหนดลมหายใจเป็นต้นที่จะให้เป็นที่อาศัยของใจมีสติระมัดระวังอยู่กับทำเหล่านี้ไม่ความรู้สึกพลากจากทำบทที่ตนกําลังพิจารณาหรือบริกกรรมอยู่นั้นให้ยนิจทำบทนั้นกับความรู้สึกคือใจ ซ้ำพันเจือเนื่องกันดีเสมอโดยมีสติเป็นเครื่องรับรู้หรือรักษาามที่จะปลีกแยะของจิตกับธรรมนั่นแยกจากกันไปได้เมื่อในถูกการบังคับบัญชาหรือมีธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจมีสติเป็นรั้วกั้นสําหรับรักษาจะต้องอย่างเข้าสู่ความสงบ คอยรับรถจากธรรมคือคำวยกรรมนั้นจะปรากฏเป็นความสงบปลุกขึ้นมานี่ท่านเรียกว่าสมาธิเพียงปรากฏขึ้นเล็กน้อยก็จัดว่าเป็นเรื่องของสมาธิ ไ, ได้แต่เพราะการพิาจารณาดูทุกวันและทุกเวลา ความสงบนี้ก็จะเปลี่ยนสภาพจากความหยาบเข้าสู่ความละเอียดเสมอไปโดยไม่มีทีดสุดอีกเหมือนกันเมื่อจิตของเราได้มีความมั่นคงต่อตอนเองเบื้องต้นก็มีความเือกเย็นคิดไปในทางเรื่องความด่างคร้อยแห่งศีลที่จะออกมาทางกายทางมาจาก็ไม่มี ใจก็มีความเย็ดเนี่ยเป็นธรรมเครื่องหนุนสมาธิให้เกิดได้เพราะไม่มีอารมณ์เครื่องกั้งกลางที่ท่านเรียกว่านิวรณ์มีหน้าที่หรือความรู้สึกอันเดียวเท่านั้นที่จะต้องกําหนดพิจารณาจิตใจของตนกับบทธรรมให้ค้ำพันเจริญเนื่องกันดีกใจก็อย่างข้อสู่ความสงบเป็นลํานับลำหนับ เมื่อถอนขึ้นมาแล้วก็ตั้งไม่พิดนณนาเข้าไปอีกจิตก็เข้าสู่ความสงบได้อีกและนานเข้าเป็นลำดับละเอียดเข้าเป็นลำดับมีทานเนียกวสมาธิเมื่อจิตมีความมั่นคงไม่วอกแวกคลอนแคลน มีความรู้เป็นจุดที่ว่ารวมกระแสของความรู้ซึ่งแต่ก่อนเคยพุ่งซ่านวุ่นวายเข้ามาสู่จุดเดียวปรากฏเป็นจิตที่มีกำลังขึ้นมาเราจะนำความรู้อันเป็นไปกับด้วยความสงบนี้ออกพิจารณาสภาวะธรรมส่วนใดจะเป็นอาการแห่งกายของเราอาการใดก็ตาม ยอมจะมีความรู้สึกกับอาการนั้นได้ชัดเราจะาทิฏฐณาหมดทั่วสันาพางร่างกายนี้ความรู้สึกนั้นจะรวมตัวอยู่กับสันาพางร่างกายนี้เท่านั้นจะไม่แยกออกสู่ภายนอกเลยเมื่อความรู้สึกได้มีความกลมกล่อมกันกับอาการแห่งกาย จะเป็นส่วนใดก็ตามแล้วความแยบภายที่จะรู้สึกเหตุผลอันมีอยู่ในส่วนร่างกายเป็นประจำแนวจะไม่รู้ได้อย่างไรเราจะไกลกรองดูเรื่องของทุกข์ที่มีอยู่ในร่างกายของเหล่านี้จะไม่มีทุกข์ส่วนไหนจะปิดบังรี้ลับความรู้สึกของเรานี่ไปได้ ปัญญาสอดส่องลงไปที่ตรงไหนเรื่องความจริงก็จะปรากฏขึ้นมาจะเป็นความจริงในทางทุกขังเรืออนนี้จังหรื อ, อนัตตาจะแสดงขึ้นมาเพราะอํานาจของสติกับปัญญานี่ทางนั้นนี่พระพุทธเจ้าท่านพิจารณาทุกท่านพิจารณาอย่างนี้เมื่อพิจารณา ในส่วนร่างกายจะเห็นชัดในเรื่องทุกขังก็ดีอันนิจจังก็ดีอนาตาก็ดีก็จะเชื่อมถึงกันในแต่ละทั้งสามนี้โดยสมบูรณ์ความที่เคยยึดมั่นถือมัน่นจนเป็นบออเกิดแห่งความกังวลข้องใจถึงกับแปรความรู้สึกของตนออกไปว่า อาการทั้งหมดนี้เป็นเราเป็นของเราเป็นของเที่ยงแท้ทามอนเหล่านี้ก็จะถอดถอนหรือบรรเทาความเป็นทางนี้ออกได้โดยลำดับเพราะอำนาจของปัญญาที่ไก่กรองเห็นตามหลักความจีซึ่งมีอยู่ในไตรลักษณ์อันประจำอยู่ในส่วนแห่งร่างกายของเหล่านี้ทุกชิ้น จะเป็นเรื่องอันนี้จังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดีถ้าปัญญาได้ให้ควรดูเสมอปัญญาจะมีความเฉลียวฉลาดเห็นทุกก็จะเห็นชัดเป็นลาดับอันนี้จังทุกขงังหรืออนัตตาจะเห็นชัดเป็นลำดับไป ความเห็นทุกข์ก็ไม่มีขีดสุดความเห็นอันนิจจังก็ไม่มีขีดสุดความเห็นอนัตตาก็ไม่มีขีดสุดเพราะอำนาจของปัญญาจนกระทั่งจิตได้ผ่านพ้นจากเรื่องของไตรักนี้ไปทั้งจินแล้ว การใดการนั่นแหละตรลักษณ์จะมีสิ้นสุดเพราะใจหมดความหรือหมดเรื่องทั้งหลายใจถึงความสิ้นสุดการใดไตรลักษณ์ก็สิ้นสุดการนั้นคำว่าศีลสมาธิปัญญาก็สิ้นสุดตรงเช่นเดียวกัน เพาะเหตุอันใหญ่ได้สิ้นสุดลงแล้วตัวเหตุอันใหญ่ได้จะจิตที่เป็นบ่อแห่งร่วงทั้งหลายได้สิ้นสุดลงในตัวเองเรื่องทั้งหลายซึ่งจะเกิดขึ้นจากใจนั้นจริงไมหมขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายลงพยายามอบรมจิตใจของตนให้เป็นในสมาธิ ด้วยอำนาจของความเพียรเป็นลำนับไปอย่างนี้เรื่องของปัญญาเมื่อเรานาออกท้ายจะเป็นปัญญาขึ้นทีเดียวจะไม่กลายเป็นสัญญาอารมณ์แล้วแปลสภาพเป็นสมุทัยขึ้นมาเลยที่พระพรุทธเจ้าท่านแสดงว่าเมื่อสมาธิอันศีลอบรมแล้วย่อมมีผลมากอันมีสมมากนั่นหมายถึงสมาธิที่กล่าวนี่เอง ทำที่ว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตานี่มีสองภาคภาคในส่วนแห่งร่างกายซึ่งเป็นด้านวัตถุด้วยกันจะเป็นภายนอกภายในนั้นประเทหนั้งตรลักษณ์ของนามธรรมคือนับแต่เวทนาสัญญาสังขารมิญ ญ, ญ, ญญาเข้าไปจนกระทั่งถึงบอ่อแห่งเรื่องนี่ก็ต้องพิจารณาเป็นตรยลักษณ์ ละจักกับปัญญาเหมือนกันทวกสิ่งที่ปรากฏให้เรารู้อยู่ทุกวันนี้โตได้ทราบว่ามีแต่เรื่องไรลักษ์ทั้งนั้นเทนาสัญาสั้งขานวิญญาณล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องไรลักษ์ พระเจ้าตัวการของสิ่งเหล่านี้คือใจรักแต่เราไม่สามารถจะทราบไปว่าธรรมชาตินั้ น, น, นคืออะไรผู้ปฏิบัติจึงเรียนไปถึงเพียงอวิชชาพอเรียนไปถึงแค่นั้นก็หยุดเลยไม่ทราบว่าอะไรเป็นอวิชชาที่แท้จริงจึงถืออวิชชานั้นเป็นเราเสียโดยไม่รู้สึกตัว และก็เข้าใจว่าเราเรียนเรารู้อวิชชาแล้วเพราะเห็นสภาพนั้นว่า น, นอกจากไตรลักษณ์ไปแท้ที จ, จริงอวิชาก็คือเรื่องของสมุติบ่อแห่งสมุตินั่นเองเมื่อในพิจา ร, รณาบ่อแห่งสมุตนินี้ให้ชัดเจนด้วยปัญญาแล้ว ธรรมชาตินี้ก็จะต้องแปรสภาพอีกเช่นเดียว ก, กันกับสภาวธรรมอรื่นมีเวทนาสั ญ, ญาสังขารยานเป็นต้นนั่นอวิชชาจึงจะจบไปได้ทานไปเห็นอวิชชาเป็นตราักษ์เมื่อไรได้ประจักษ์กับจิตเมื่อไรแล้วอวิชชาจะทนตัวอยู่ไม่ได้ แล้วจะทนตั้งอยู่บนหัวใจของเราซึ่งเคยตั้งมาแล้วเป็นเวลานานไปไม่ได้อีกนั้นเมื่อวิชาได้ดับลงไปเท่านั้นเรื่องไตรลักษณ์ทั้งหมดไม่มีอันใดเป็นปัญหาแต่ว่านั้นอันนี้จังทุกขังอันนี้อนัตตาไม่มีในเป็นข้อข้องใจทางนั้นและโดยไม่มีใครมาบอกเล่าท่านจึงเรียกว่าสันทิฏิโกต้องเห็นอย่างนี้สําหรับผู้ปฏิบัติ เหตุให้สมบูรณ์ผลจะต้องแสดงสวมรอยกันขึ้นมาเป็นผลเป็นผลที่สมบูรณ์อย่างนี้นี่ถ้าจะกล่าวถึงว่าสถานที่กห็หมายหมายถึงสถานที่ที่เป็นบอกเกิดของเรื่องเป็นของสําคัญยิ่งกว่าสถานที่อื่นใดทั้งนั้นถ้าจะกล่าวถึงเรื่องบุคคลก็หมายถึงบุคคลผู้ทรงไม้ซึ่งความโง่อย่างเต็มตัวนี่เองเป็นบุคคลที่โง่ที่สุด เป็นบุคคลที่จะได้แบกทุกทรมานตนอยู่โดยไม่รู้สึกตัวและไม่สามารถจะนับได้ว่ากี่กับกี่กันที่จะต้องแบกทุกนี้อยูต่อไปนี่ถ้าเราจะพิจารณาธรรมของพระพุทธเจ้าขึ้นอยู่กับสถานที่บุคคลก็ให้หมายถึงตัวของเราเองสมัยก็หมายถึงสมัยที่อวิชาครองตัวอยู่นั่นเองเป็นสมัยที่เดือดร้อนเป็นสมัยที่ได้รับความลำคาญทนทุกทรมานอย่างยิ่ง สมัยใดยที่วิชาได้แตกกระจกระจายไปเพราะอํานาจของมรรคมีกําลังได้ทําลายแล้วนั่นเป็นสมัยที่ร่มเย็นที่สุดมีให้หมายอย่างนี้ถ้าจะเราจะหมายถึงเรื่องศีลสมาธิปัญญาก็ให้หมายถึงตัวของเรานี่เราอย่าไปหมายสถานที่โน้นสถานที่นี้ มาธรรมะจะอยู่ที่โน่นกีเลสจะอยู่ที่นั่นทีเลสไม่เคยมีสถานที่ไม่เคยมีสมัยไม่เคยนิยมกับบุคคลผู้ใดใครสร้างเหตุเพื่อกี่เลสแล้วกี่เลสต้องเป็นเรื่องของคนนั้นสร้างที่ไหนเวลาใดต้องเป็นเรื่องของกีเลสจะเป็นสมบัติของคนนั้นทันทีเราจึงไม่จำเป็นจะต้องพิจารณา ไปถึงสถานที่การสมัยว่าสมัยโน้นมรรคผลมีพานมีสมัยนี่ไม่มีแต่เรื่องของกิเลสมันเป็นสมัยใดบ้างเราไม่เําหนมันจึงเป็นเหตุให้แพ้่กิเลสเสมอไปกิเลสไม่เคยมีสมัยไม่เคยมีการไม่มีมีรื่มเนื้ลาวว่าสมัยโน้นกิเลสมีสมัยนี่กิเลสหมดสถานที่โน้นกิเลสมีสถานที่นี่กิเลสหมดบุคคลนั้นกิเลสมีบุคคลนี่กิเลสหมดไม่มีทั้งนั้น มันมีอยู่กับบุคคลผู้สัางสมจิเลสขึ้นมาไม่ว่าการใดสมัยใดสถานที่ใดบุคคลผู้ใดที่ทำขึ้นกิเลสต้องเป็นสมบัติของคนนั้นทันทีเรื่องของมัชฌิมากก็โกรธได้เทียบกันลงในตัวของเรานี้สมัยใดที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาสมัยนั้นแหละ เป็นสมัยที่เราจะแก้กิเลสบุคคล น, นั้นแลเป็นผู้จะแก้กิเลสสถานที่นั้นแหลเป็นสถานที่แก้กิเลสสถานที่มีศีลสมาธิปัญญานั้นให้พากันเข้าใจอย่างนี้อย่าไปคว้าอาดีตอนาคตผิดจากหลักความจริงของพระพุทธเจ้าที่สอนลงไว้กับหลักเหตุผลโดยถูกต้องกิเลสเกิดในสถานที่ใดให้แก้กิเลสตรงในจุดนั้นโดยไม่ต้องไปคํานึงถึงสถานที่บุคคลไหน ให้ผิดจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไปศีลเป็นเครื่องแก้กิเลสประเภทหนึ่งสมาธิเป็นเครื่องแก้กิเลสประเภทหนึ่งปัญญาเป็นเครื่องแก้กิเลสประเภทหนึ่งกิเลสประเภทเหล่านี้มีอยู่ที่ไหนและศีลสมาธิปัญญาใครเป็นผู้จะบำรุงให้เกิดมีขึ้นนอกจากสถานที่หรือบุคคลสมัยในตัวของเราคนเดียวเท่านั้นมันพร้อมอยู่ที่หมด ขอให้โอปนักยิ่กน้อมเข้ามาในตุวมบกของเราทุกอย่างมีอยู่ที่นี่หมดกองทุก็ไม่มีอยู่ตามสถานที่บุคคลสมัยใดทั้งนั้นเพราะเกิดขึ้นจากหลักเหตุคือกิเลสเป็นเครื่องตึดทุกขึ้นมามันมีอยู่กับตัวของเราให้กำหนดพิจารณาลงที่นี่เมื่อได้รู้กันที่นี่แล้วเรื่องศีลสมาธปิปัญญาก็ดี เป็นธรรมของจริงขึ้นประเภทหนึ่งตรลักษณ์ก็เป็นของจริงประเภทหนึ่งหรืออริยสัจสรุปความลงแล้วว่าทุกสมูทัยนี้โรธมกักตางก็เป็นธรรมะของจริงอยู่ด้วยกันไม่แตําำหนิจี่ชมซึ่งกันแล้กันตามที่เคยเป็นมาของจิตธรรมชาติที่บริสุทธิ์พระอํานาจของสีสมาธิปัญญาที่แก้สมูทยัยทั้งหมดไปแล้ว นั่นก็เป็นธรรมชาติที่จริงอันนี้นั่นท่านเละวจริงบิมุตคำว่าจริงบิมุตนะมีอยู่ที่ไหนอีกทีงเหตอยู่ที่ไหนบิมุตจะนอกจากเหตุไปอีกไม่ได้เหมือนกันเนี่ยก็ลงมาจุดเดียวกันอีก พราะนั้นถ้าเราจะเป็นบุคิตของพระพุทธเจ้าเราอย่าไปคิดเรื่องอดีตบุคคลอนาคตหรือสถานที่การสมัยใดๆให้นอกไปจากสถานที่เกิดเหตุนี้จะได้ ง, ง้ามเหตุขึ้นจากสถานที่นี้แห่งเดียวเท่านั้นการแสดงธรรมก็เห็นว่าจะสมควรเพาั้น ขอให้ม น, นา้าทุกทุกท่านที่มุ่งหน้ามาศึกษาโปรดได้ดูเข็มทิศท้องตนที่ตั้งไว้เพื่อจิตประสงค์นั้นนั้นกับพ่อวัดปฏิบัติท้องตนที่จะดาเนินไปตามเข็มทิศท้องตนให้ไปในร่องรอยอันเดียวกันโดยความภาคเพียงให้เราอย่าลดละผลที่ เราทุกท่านจะพึงได้รับจะพ้นไปจากเข็มทิศที่เราตั้งไว้และข้อปฏิบัติที่เราดำเนินตามเข็มทิศนั้นไปไม่ได้นารสารนี้เป็นธรรมเทศ น, น์นั้นความนาเป็นวินญาณุภาพข อ, ององค์สิ่งเดชทุพมิตรพระภ า, าคเจ้าพร้อมตัณฑธรําและประสงค์จึดงดึบันดาลให้ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญตนด้วยความสะดวกกายสมายแต่ เป็นถึงจุดหมายปละทางคือแดนแห่งมุดมุดพ้นจากเหตุผลทั้งหลายโดยโทนากเทือก